ทำกันเนาเพื่อให้บันทันสมัยสักหน่อยอย่าปล่อยเวลาพ่งไปโดยเปล่าประโยชน์ก่อนที่จะให้งงให้เห็นให้ทำอะไรที่เราจเป็นความถูกต้องความชอบในการที่เรามีชีวิตยู่เนี่ยคือธรรมชาติคือธรรมะ เขาให้ถึงไม่ว่าอะไรคาว่าธรรมชาติ่มันยิ่งใหญ่ธรรมะก็ยิ่งใหญ่ธรรมะมาจากคําว่าธรรมชาติเต้นป่าไม้แดดเลนแม่น้ําอากาศยิ่งใหญ่อยู่ที่ไหนอากาศก็ต้องเป็นอากาศแมใจะมีการปนเพื่อนไปกับสิ่งแวดแล้อมก็ยังขอเป็นอากาศอยู่ แผ่นดินแม่น้ำเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ขอเป็นแผ่นดินที่เป็นเม็ดดินเม็ดทรายเล็กน้อยก็ยังเป็นดินอยู่เกลือแม่เม็ดเต้าร้อยก็ยังเค็มอยู่น้าอ้อยน้ําตาลแม่จะปลูกเ ค, ครื่องยนต์กลไกอยู่ในความร้อนความเย็นความหนาวก็ยังเป็นรสหวานอยู่ คือธรรมชาติไม่จันทร์ที่มันไม่หอมไม่จะแห้งไปอยู่ที่ไหนก็ยังมีกลิ่นไม่จันท์อยู่นี่คือธรรมชาติชีวิตเราเมื่อเข้าสู่ธรรมชาติมันไม่เปลี่ยนแปลงคือไม่เป็นอะไรดินก็เป็นดินน้าก็เป็นน้าไม่เป็นอะไรเป็นเดินไปชีวิตเราเนี่ยก็เมื่อถึงธรรมชาติแล้ว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 ใ น, ในชีวิตเราเมื่อเข้าถึงพรไม่เป็นอะไรคือธรรมะอันสูงสุดของชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเป็นของยิ่งใหญ่ันแต่ธรรมชาติไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับธรรมชาตินี่เอออยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราว่าความมาเรื่องเป็นทุกข์มันก็ธรรมชาติของมันแต่ชีวิตเราไม่เป็นเช่นนั้น จะพัดภาคเจ่าวของร้องของชอบใจมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติอันนั่นเป็นของที่พัดภาคดินที่นี่อาจจะประโยชน์ที่อื่นก็ได้ดินที่ประเทศอื่นอาจจะประโยชน์ประเทศไทยก็ได้ดินในประเทศไทยจะประโยชน์ประเทศอื่นก็ได้ก้อนดินก็เห็นเหมือนกันลางทียมันก็มีค่าเมฆก็เดา และมาให้เอามาให้เขาทาเป็นเหรียญใส่กรอบสวยงามเอามาใส่ฝ่ามือเอามาจับดูที่แรกก็ไม่มีฝ่ามือก็ไม่มีอะไรก็อเอามาวัดคืด้นดูมาวัดจะมีมันก็ได้พอจับแร่ไปวัดนี่โศกเป็นยาวออกไป มันเป็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่สยสาสตรนั่นเป็นวิทยาศาสตร์นั่นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันเกิดจากธรรมชาติเช่นเราเชี่ยวก้อนดินก้อนหินมันไปอยู่ในปา่ามันก็ยังไม่เป็นอาหารเราพยายามคลายออกได้คือธรรมชาติของเขา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 ถูกทำลายพยายามรักษาป้องกันมันให้เป็นธรรมชาติอยู่ตรงนั้นพอที่จะสร้างเสริมธรรมชาติได้ก็เสริมลงไปรักษาลงไปสร้างกำแพงอ้อมไว้อะไรที่ไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติพยายามช่วยอา น, นันเป็นประตูภายนอกของชีวิตเราส่วนวัตถุภายในชีวิตเราคือธรรมชาติคือไม่เป็นอะไรละไม่มีใครช่วยเราได้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 เอากายไม่เป็นเรื่องไม่สบายเอาใจไม่เป็นเรื่องสุขทุกข์มันไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นความเพี้ยนไปของการใช้ธรรมชาติไปจะเจงขนาดไหนมันไม่ได้ไปเอากายเป็นสุขเอากายเป็นทุกข์เอาใจเป็นสุขเอาใจเป็นทุ ก, า ก, าทกข์แสวงหากันเลอเ ก, กิน เอาเอดือนแรงเอาเรียกร้องการบริการเพื่อให้มันเกิดชกเกิดตกมันไม่เก่งอันนั้นเป็นชัวประกอบแต่สิ่งที่มันเป็นจริงจริงไม่เป็นอะไรนะเอานี่เป็นหลักไปก่อนมันง่ายๆวิธีทำก็มีแล้วมีสติเห็นให้เห็นให้เห็นอย่าเป็นการเห็นไม่เป็นเนี่ยมันไม่ยาก การเป็นมัญญากลัวจึงเป็นเรื่องที่น่าบอกกันในเรื่องหนึ่งไม่ใช่ไปบอกกันอย่าเบียดเบียนกันนะอย่าอิจฉากันไม่ใช่เลยอย่าไปพูดก็ได้ให้เขาปฏิบัติลงไปเมื่อเขาเข้าสู่ธรรมชาติไม่เป็นไรเขากไม่เบียดเบียนเขาเองไม่ใช่คําสอนเป็นการตัวกระทา ถ้าเราไม่เป็นอะไรแล้วอย่าไปพูดให้แมนเสียเวลาอย่าเบียดเบียนกันอย่าอิจฉากันอย่าเอารัะเอาเกลียบกันอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าทำคนเป็นทุกข์ไม่มีประโยชน์พวกเราอย่าไปพูดมันเลยมาทำอย่างนี้มาเลยมานี่ก็ไม่ต้องขอญาตจากใครมีสิทธิ1 0อยเปเนที่ประเทศไทยถ้าประเทศอื่นมาก็ต้องขอวีซา่า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 มากมากมันยืดทันสมัยทุกวันนี้ธรรมชาติตอนนั้นแม้แต่เดี๋ยวนี้ทั่วโลกมีปัญหาเรื่องธรรมาชาติจริงแวดล้อมเดี๋ยวนี้ก็พึงกับมาสายเกินไปบางที่ก็แก้ไม่ได้แล้วจนเกิดวิบัติทางทะเลมหาสมุทรต้องอาา่างนั้นแก้ไม่ได้ถ้าเราไปดูหลังโลก นหน้าเสียดายมันก็คืนมาได้แล้วโลกเนี่ยมันเล่าไปแล้วรอยตะเข็บของโลกล่ามากเสไปแล้วอันโลกเล่าไม่เหมือนแผ่นดินลรวมันเหมือนกับน้ํามันเล่าไม่ได้เราไปตักน้ําออกมันก็จะให้ไปเป็นหลุมไม่ได้อันโลกไปเนี่ยเรามีดขีดบนน้ํามันยัง ดีได้ง่ายแต่โลกเนี่ยมันมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าน้ำมันไม่เหมือนแผ่นดินแผ่นีด่นเอาจบไปขุดจังเป็นรอยจบหิดบนดอกไม้ไปขีดจังเป็นรอยเห็นอันโลกเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันล้วมันก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะมือคนเราไปทำที่ไม่รู้จักในชีวิตเหล่นี้ก็เหมือนกัน ไปทำให้มันผิดพลาดเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สูญเสียกับธรรมชาติในตัวเราบางโอกาสเราไม่รู้วิ่งไปตามอะไรต่างๆแต่ความมันได้ยู่พอเข้าสู่ความไม่เป็นอะไรคือธรรมชาติตัวนี้นแล้วมันไม่ต้องไปบอกกันศีลก็จะมีขึ้นร้อ ห, หนักแน่น เขามไม่เป็นอะไรมันหนักแน่นยิ่งขั้วศิลาแท่งทึบมันก็มีสมาธิมันก็ไม่หวั่นไหวถ้าม่ความหนักแน่นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวมันก็มีสิ่งใดที่ทำให้เกิดเที่ยนไปมันเท่าสู่ธรรมชาติถ้าจะอยู่กับคนก็เป็นปัญญาเป็นปัญญาเหมือนธรรมชาตินะ ป่าทางทิศเหนือทิศใต้สลาเราเนี่มันเป็นธรรมชาติอยู่เนี่ยจะมีไฟไหม้ก็ไม่ไหม้ไฟไหม้มาจะก็ถูธรรมชาติมอดลงแถวที่อยู่ของอุบาสิกายเหมือนกับอาจารย์จงสินชวนไม่ออกขนของออกจอกไปอยู่สลาน้ำเอไมคีอ เมารถมาใส่ไปหาหลวงตาที่วัดผูโกโ่กอตเราจะยืนงไงไไม้ปาหมดแล้วแถบเนียอาจารย์ทรงเฉลนบอกให้ขนของไปสลานามหลวงตาบอกว่าไม่ต้องขนมันไม่เข้ามาถึงนั่นได้ธรรมชาติมันยิ่งใหญ่มันไม่ไมมาหรอกเพราะไม้เข้าไปเลยกับมมดเนี่ยคือธรรมชาติ คนโลเมื่อเข้าถึงความไม่เป็นอะไรแล้วมันก็เกิดปกติเกิดไม่หวั่นไหวอาสาอะไรความแก่ความเจ็บความตายถ้าเข้าถึงความไม่เป็นอะไรคือธรรมชาติตัวเนี้ยจะให้ไปจับเหมือจับเท้ามันจับกันไม่ได้ต้องทำขึ้นมาเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวเนี่ยให้มีความรู้สึกตัวมันไปแล้วกลับมา กลัมอันธรรมชาติในตัวเราไม่เหมือนแผ่นดินไม่เหมือนโลกภายนอกมันประเสริฐไม่ใช่แบบนั้นพันรับได้ไม่ต้องอ้างว่าแฉว่าหนุ่มว่าสาวว่าสุขว่าทุกข์อย่าเอามาขวางกันจะดินิดใจมันเพีย้ยนเฉยเฉยนิดใจมันก็ไปอยู่มันหลงก็ลู่ได้อยู่นี่คือของจริงในชีวิตเรา มนุษย์มันประเสริฐตรงนีน้ไม่ใช่เพศไม่ใช่วัยไม่ใช่ลัตินิกาคทำลงไปให้ทำไม่ใช่ไปสอนให้รู้ใครก็รู้น้องอยู่นี้ไม่ได้คนรู้ทั้งนั้นไอ้ชีหม่เนี่ยก็จบปัญญามาก็มีพระนี่ก็จบปัญญาก็มีถ้าโจมก็จบปัญญาก็มีไหนคนต้องมีอะไรที่จะเป็นสิ่งดีๆ พอตัวว่าแต่ความอ น, นั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่เป็นไรต้องประกอบขึ้นมามีอยู่ทุกของทุกอย่างมันจุเห็ุวันจุไม่เป็นผู้สุกไม่ยากมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกนหลงเห็ตันหลงแล้วก็มีเท่านี้เอาจิงๆจงมีผวมหลงทุกสาระเนี่ยมีความหลง พอมีความรู้เห็นความหลงง่ายง่ายถ้าเห็นความหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้กง็ง่ายง่ายถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรู้ไม่ต้องทำอะไรมันก็ทำไม่เปลี่ยนเหมือนกันเอามือมาวางพลิกเมือเคลื่อนมือให้รู้สึกความรู้สึกอยู่กับกายมีฐานมีที่ตั้งมันจะยากอะไรทุกคนมีกายทุกคนในความรู้สึกตัวทุกคนมีความห ล, ลงมีตาเห็นโูกมีหูที่ยินเสียง อาจจะเป็นหลองตาผู้เดียวที่มีหูไม่ได้ยินเสียงน้อยท่านที่อยู่ที่นี่ได้ยินไหมได้ยินไหมลองตาพูดนี้ <laughs> มันไม่อะไรมันเป็นทำมาแชดอยู่แล้วอันหลองตาไม่ได้ยินนะที่พูดอยู่นี่เสียงแตงก็ไม่ค่อยได้ยินนะไม่ได้ยินเสียงแตงไม่รู้พูดจังไรแต่อันสิ่งที่ไม่เป็นไร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 ความเก็บไม่ใช่เป็นความเก็บมันเป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรททันสมัยที่สุดยอดเยี่ยมชีวิตแบบนี้ให้ถึงให้มีในชีวิตเราให้ดาอย่าสละสิทธิ์เพเป็นมีเป็นเพื่อนเพรเป็นไม่ทอดไม่ที่งตรงนี้ว่ายังมี สิ่งเหล่านี้อยู่กับคู่โลกเมื่อมีมนุษย์คนอยู่ที่ใดต้องมีเรื่องนี้ทั้งนั้นดังที่เราสันเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทุกวันงดนามภ่เละว่าใช่ฟังเสียงแบงเสียงโดนเตะอันเสียงธรรมชาติเรายังมีเสียงแบบพระพุทธเจ้าได้พูดได้ออกจากพระโอษฐขององค์อยู่ทุกวันน ยอดเยี่ยมมากบรรพูหลุษของเรามันก็มีอันนี้มันกระตือละล้นกันหลายชีวิตสมัยครับพุทธกาลที่ประสบกับหลังนี้จริงๆหลายชีวิตหลังพุทธกาลมาหลายชีวิตในบรรพูหลุษของเราครูบาอาจารย์อุปชาครูบาอาจารย์พ่อแม่ของเรา หลอยชีวิตที่เรานั่งอยู่นี่มีธรรมชาติอยู่แล้วไม่เป็นไรอยู่แล้วเพรายอมทำให้มากให้มันมีให้มันมากขึ้นมาเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวเนี่ยเริ่มต้นจากความรู้ตัวไม่ได้ซื้อได้หาที่ไหนหายใจก็รู้สึกตัวได้พิบตาก็รู้สึกตัวได้เป็นอุปกรณ์ วัดสดุอุปกรณ์มาผิดความรู้สึกตัวนี่ว่ามนุษย์สมบัติใช่ได้อันที่มันไม่เป็นอะไรมันใหญ่กว่าความเป็นอะไรความเป็นอะไรนิดหน่อยก็มไม่เป็นอะไรยิ่งใหญ่ไ ม, ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบเหมือนช่างซะใหญ่กว่าสัตว์อื่นในโลกไดโนเสาเราก็ไม่เห็นแล้ว เห็นทุวันนะี่คือช้างเราเลยเปรียบเทียบเหมือนช้างอีกสับกบม่กี่วันนะอาจารย์สายหยุธจะไปเอาช้างมาไว้ที่นี่หมาเห่าช้างกิเลสเหมือนหมาสติเหมือนช้างสติถ้าเปรียบเหมือนนกก็เหมือนอินทรีย์ใหญ่กิเลสนิวรณธรรมความขวงกันเหมือ น, มนแมลงเฉย ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบเอาสัตว์เอาวัตถุอื่นมาเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบทำสอนทั้งหมดเหมือนลอยเท่าของช้างทมสอนทั้งหมดเหมือนรอยเท่าของสัตว์หลายประเภทไม่ใช่จ้าวความสอนที่เป็นจะจะนิดหน่อยคือเหมือนลอยเท่าของช้างว่าไม่เป็นอะไรเหมือนลอยเท่าของช้าง ความเป็นอะไรเหมือนรอยเท่าของสัตว์อื่นแต่มีวาม่าเมฆควายเมฆหูหมาเป็ดไก่อะไรต่างๆเยอะแยะภาวะที่ spielt, มันเป็นอะไรนั้นเหมือนรอยเท่าของสัตว์อื่นแต่ความไม่เป็นอะไรน่ะเหมือนรอยเท่าของชาติลอยเท่าของสัตว์อื่นมารวมลงรอยเท่าของช้างได้ความลักมารวมลงนี่ไม่เป็นไรเมื่อมาถึงรอยเท่าของช้างเป็นรอยเท่าของช้างไปเลย ผมไม่เป็นไรลองสู่ความทุกข์เหมือนรอยเท้าของสัตว์อื่นเมื่อมาลงอยู่รอยเท้าของช่างคือผมไม่เป็นไรออกม่ก็เป็นอะไรเป็นรอยเท้าของช่างอยู่มันขนาดนั้นภูเขาศิลาแท่งเทือไม่สะเทือนเพราะลมเพราะสิ่งอื่นผมไม่เป็นไรเหมือนภูเขาศิลาแท่งเทึบกลองต่อไปประเทศ อินโดนีเซียไปเห็นวัดหนึ่งสมัยนานเท่าไหร่มาโลกอยู่ในมหาสมุทรอินเดียเขื้นเนี่เท่าสลนะาเนี่ยมาที่โลกชนเปี้ยงเปี้ยงยังเป็นห็นศิลาบนวัดนั่นอยู่มันทนอนนั่นเป็นวัตถุเสียงของ แต่ความไม่เป็นอะไรอยู่ในชีวิตเรายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเิ่งเห่านั้นจะมีเดนทาสนเสริญจะมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียอะไรมันไม่เป็นไรนี่คือจุดหมายปลายทางของชีวิตเราก็ ถ, าถึงได้แต่บันนี้มีได้ทำได้ตั้งแต่วันในจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แก่เราประโยชน์แก่โลกดย มันจะอยู่ไม่ได้จะต้องบอกกันเป็นชินเป็นสมาธิเป็นปัญญามีผลกระทบในทางที่ดีก็ว่าแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีผไม่เป็นอะไรอยู่กับป่าป่าก็ดีอยู่กับดินดินก็ดีอยู่กับน้ำน้ำก็ดีอยู่กับอากาศอากาศก็ดีอยู่กับคนคนก็ดีมีเล็บมือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมีอะไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นอะไร ก็ไม่เป็นไรอยู่กับคนน่ะมันไม่เหมือนกับค้เห็นมันใช่ได้พุทธองค์จึงมาพูดออมามาแสดงออกมามาดูมาดูมาดูาดฟังฟังที่เรานี้เราไม่เคยกล่าวมาก่อนยานเกิดขึ้นแล้วจะเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจะเราปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะเราเราไม่เคยได้รู้เรื่องนี้ ชวนปัญญาวิเคถ้าจะพูดละไม่อายมล้ก็เตยเรือลนเราตัดชะลูอนุตระสัมมาสัมโพธิยานแล้วเมื่อตัดชะลูนี่ไม่เคยได้ยินในโลกมาก่อนปณัญญาได้ยินเขาว่าเราได้ตัดชะลูอันุตระสัมมาสัมโोธิยานไม่เคยได้ยินปู่ทั้งหกก็ไม่ได้พูดเรืงนี้เลยขอนชัยวิรัติบท อาที่กะคำพลสุกกระจายนะมัคคีโกสารทิศาปามโมทไม่ได้พูดลองในเลยเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ก่อนพทธเจ้าโอเจ้าพราะชิตธาหัวพูดเป็นคนแรกที่อิชีปตนะมฤคธายวันเือนเพนเดินแปดนับจากวันนั้นถึงวันนี้นับแต่วันปณิธานถึงวันนี้ สอง2ห้าร้อยห้าสิบสองบวกสี่จห้าปีเข้าไปเป็นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดปีใช่ไหมไปพูดออกจากปโป๊ดคำแรกที่สุดโอนัญญาสะดุ้งขึ้นมาเงี่ยวหูวฟังต้องเทศไปบอกไปตั้งแต่ทางพูดลร่องทางกลองหลงไม่ใช่ทางกลมรู ว่าไม่เป็นอะไรคือทางร่วมทุกข์ไม่ใช่ทางก็ไม่เปลี่ยนอะไรเห็นมันทุกข์เป็นทางแต่พูดง่ายๆนะร่ามสุขไม่ใช่ทางเห็นมันสุขไม่เป็นทางถ้าเป็นสุขมันทางสุดโต่งถ้ามันทุกข์เป็นทางตันมันทางสุดโต่งมันทางตันบันปายคิด ผู้เห็นภัยไม่ควรเสพมีไหมความสุขมันตันไหมความสุขมันสุดโตงถึงที่ไหนยิ่มรู้จักยิ่มหรือจากพอไหมมันสุดโตงไม่ถึงอะไรเลยเองค์เบื่อชีวิตที่มันสุขๆมีผู้หญิงคนหนึ่งเบื่อความสุขเก็นคนนายตั้งไอพห้ารอยสปด ตอน ต, ตื่นทุดองไปแถวบูดอนไปแสดงธรรมอยู่แถวนั้นก็มาฟังเทศก็ขอติดตามเป็นผู้เญียงที่สุขุมมันระชาติเตืนคุณนายตื่นขึ้นมาเปิดประตูออกมามานั่งโต๊ะไม่น้ำรอ้อนน้ำอุ่นแม่น้า เครื่องเดิมมาตั้งไว้เติมน้ำแล้วน้อมอุ่นน้อมชากาแฟน้ำล้างหน้ากา็เป็นน้ำอุ่นแปลงปันเอายาสีฟันใส่แปลงมาบางง่ายล้างหน้าน้ำอุ่นแปลงฟันน้ำอุ่นอ่านก็มีเครื่องกินอาหารการกินที่หลับแค่หนอนหมอนมุ้งตกแต่งให้อย่างเด อยู่เช่นนั้นมานานเรก็เบื่ออยากไปใช้ชีวิตแบบท่านจะไปได้ยังไงมันหนาวนอนในป่าช้าสะไหมนั่นนะจุตรงสมาทานอยู่ป่าช้าไม่มีที่มุงที่บงังจะไปอยู่ได้ยังไงไปไปไปน้ำก็ามาอยู่ขอไปก็ บอกห้ไปต้ชื่อกดคื่อมงุงถือการน้ํามีที่นอนพอที่กันฝนได้บ้างยังเป็นฤดูฝนถ้าดูฝนช่วง อ, อกมัณฑาเป็นปิกกิกาไปเขาก็อยู่ได้นอนป่าช้าปรากฏตามมาอยู่ที่นี่แ9เกมาอยู่ที่นี่ อยู่ที่นีก็ลำบากมีน้าตาขวดเดียวอาหานการจินลำบากอราเลยคิดอยากไปตั้งสำนักแถวภาคตะวันออกแถวระยงแถวชงวัดจันเมีคนให้ข่าวโอ้พอชวนไปดูไปดูเขาช่อมาม้านจานชงฉินละยอง เดีย๋ยวนี้ยังเป็นลองช่างอยู่เพราะว่าไปอยู่ไม่ได้ไประยู่ไงผู้หญิงประโยชน์ยัยงงั้นไม่ได้ห้ามเขาจะอยู่ที่นี่ก็ไม่กล้าชวนเขาสะพานแต่ ข, ข้ามลำบดาวไม่ลำเดียวเท่านีายไต่ไปเราก็ไต่ไปก่อนจะไปได้ไหมจะไปได้ไหมก็ค่อยค่อยขา ม, มาขำ ม, มา ยังบอกเขาไต่ไม่อนเดียวคิดดูโอยเราเนี่ยเป็นบ้าทมไมก่อนตัวทำอะไรได้หีืว่าคนอื่จะทำได้ล้วก็ลำบากเอาไปสร้างมาไปดูตถวะนั่นผลที่ชดไม่กลับบ้านขายโรงงานขายบ้านขายชองหมดปันทรัพย์สินให้ลูกให้เต้าหมดส่วนนี่ของแม่ส่วนนี้ของลูกเอาไป ไม่ให้ใครเดือดร้อนมาสร้างวัดต่อมาก็เลยมาบวชเป็นแม่ชีกับหลวงตาแล้วเนี่ยโยก็แก่แล้วแปดสิบกว่าปีแล้วหลวงตาพูดถึงใครไม่ชีน้อยของหลวจ๋า <c oughs> ทำได้ในีนาขุนนางขนาดไหนสุขุมมราชาขนาดหนถ้าฝึกตนเองมันทำได้นะไฮ้อ่อนแอมันเข้มแข็งได้ เคยรักมันก็เห็นมีปัญญาพผะความลักเคยเกลียดเป็นปัญญาผกความเกลียดเคยทุกข์ไม่ปัญญาพผะความทุกข์ความไม่เป็นไรนะ่ะนี่เมื่อสองวันนี่ห้องตาได้รับจดหมายจากคณะที่มาปฏิวัติธรรมคณะพยาบาลที่มาหลองตามาอยู่ไปผูเขาทงของก็มาเห็นจดหมายวางอยู่โต๊ะ อ่านดูเขาเพราะว่าเขาประสบในการปฏิบัติบางก็ทําไม่ย้อนลึกคิดถึงอดีตที่ผ่านมาสิบกว่าปีเคยโกรธเพื่อนทะเลาะกันยังผูกโกรธไาอยู่พอมาปฏิบัติธรรมพอได้เย็นเสียงลองตาเทศได้เย็นก็เลยแต่ความโกรธกลายเป็นความสงสารเพราะตัวเองก็ผิด ไปโทรศัพท์ขอโทษไปได้กโกรธก็โทรศัพท์ตอต่างคนต่างมีความสุขเปลี่ยนได้ทั้งสองคนมันเปลี่ยนได้จากความโกรธ่ิฉากันมาเป็นิบปีหืนดีกันได้เป็นมิตรภาพอะไรล้ ว, วงโกรธเป็นคมไม่โกรธว่าเจ้าจดหมายมาให้อ่านด้วย <laughs> นี้ก็ มันก็ทำได้เดียความโกรธขนาดไหนมันได้มันไม่เป็นไรเราเราก็ลืบไปเลยเรียบไปเลยนี่คือมันเรียบไม่มีขึ้นว่ไม่เป็นไรมันไม่มีขึ้นในชีวิตของเราพยายามตรงนี้พวกเราไม่ได้ไปอ้อนวอนขอร้องมาง่ายๆเหยียงแต่ความรู้จักตัวใหนไปถ้ามีความรู้จักตัวไป มันจะเห็นอะไรที่มันไม่ใช่คบรู้จึกตัวในชีวิตเราเยอะแยะเลยเอามารู้จึกตัวสาะโดยที่เงือ่อไม่ออกไม่ยากเหมือนเล่ยงเลยจำปังเดี๋ยวนี้กำลังมีลืน่นใช่ไหมแถวเห็นข้องลื่นตัวลเล็กๆเจ้าหูของตางเดินอยู่โอ ก, กัดได้อะไรลืน่นยังยากกว่าอันความรู้จึกตัวอะไรก็ไล่ไปเลย ตัวอล็กได้ก็ไล่ไปไล่ไปมันกัดก็ไล่ไปอันความรู้สึกตัวเนี่ยก็มันทุกก็รู้สึกตัวทันใดนิ่งนิ่งเด็กก็ได้นอนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้เดินอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้ความรู้สึกตัวมีเยะแยะหายใจเข้ารู้ตัวไม่หายไม่ทำอะไรก็รู้สึกตัวได้รู้สึกตัวเมื่อโยงกับมันเจ็บรู้สึกตัว รู้ตัวว่ามันาวรู้สึกตัวมันร้อนรู้สึกตัวมันเหี่ยวรู้สึกตัวมันปวดมันเมื่อยรู้สึกตัวเยอะแยะเลยวัตถุเกิดแห่งความรู้สึกตัวแถมไปหมดเดี่ยวพระสูตรพระสูตรตัณฑ์ที่ดกสองหมืนสี่พันเรื่องฟังเป็นระเบียบเรียบร้อยสองหมืนสี่พันเรื่องฟองที่เป็นสิ่งที่ วัดปฏิบัติลองไปเป็นศิลเป็นจมาิปัญญาสี่หมื่นสี่พันเรื่วมแล้วเป็นแปดหมื่นอันก็ผูดผภิเษกตคิดไม่ทันทั้งหมดมันแปดหมื่นสี่พันเรืสามตากาเอามารวมกันเรามเป็นสูตรไงกายก็เป็นสูตรจิตก็เป็นสูตรเป็นพระสูตรปฏิปีก็เป็นสูตรรวมผิดรวมถูกเป็นสูตร มันก็จบหลงที่สูนะุดนั้วความหลงก็ไม่หลงตรงนั้นไม่ได้ปัญหาใจที่ใดความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ตรงนั้นเกิดที่ใดรู้ที่นั้นเหตุเกิดที่ใดดับตรงนั้นพวนี้ก็พอแล้วพระสารีบุตรได้ฟังคาถาปาจิิเหตุเกิดที่ใดดับตรงนั้นพระสํานาโกโคดมเป็นครูของเรา ครูของเราสอนอย่างนี้เรารู้เรื่องนี้เท่านี้เองสาธิบุตรบรรลุทํามเลยได้ดวงตาเหตนตา่างพราะสำเนาโคดมอยู่ณที่ใดสาธิบุตรจะกราบพระชจิเป็นครูอาจารย์พระชจิบอกว่าไม่อย่ามากราบเราถ้าจะกาบไปกราบพระชนะโคผู้เจ้าโลนผู้เจ้าอยู่ณที่ใดอยู่กรุงเราจะคือ เมื่อมาเจ้าพิมุสานอนสารบวชไปเลยต่างเทศพระเจ้าไต่เป็นทหารกับพระโมกันลานะเพื่อนเจ้าสําลานหนุ่มเจ้าสําลานเป็นเสนาบดีส้ายขวายืนอยู่เนี่ยเห็นไหมเอาคระลาอยู่ขวามือเอากระลาอยู่ขวามือสารบวชอยู่สร้อยมือพระเจ้าเรีว่า เนาบอดีตอหนั้นสารีบทตเนี่ยไอ้เย็นว่าอาจจะคิดอยู่ที่ไใดเวลานอนหันหัวไปเลยวันนี้สารีบุโจโกโตติดตามอาจจะคิดอยู่โน้นอยู่ข้างข้อหันหัวไปทางนั้นเคยหันหัวไปทางนี้เปลี่ยนทิศทางล <laughs> แลง้วยแล้วยินสารีบทุที่ตอนนั้นหันหัวไปทางไหนอยู่ทางไหนไปเลยมีความกังวลทางไห น, น มันจะยากอะไรเหตุเกิดอยู่ท่ดักที่ตรงนั้นมันหลงรู้ตรงนั้นมันทุกรู้ตรงนั้นมันจุกรู้ตรงนั้นมันปวดรู้ตรงนั้นมันรักมันชังอยู่ที่นั่นมันงามมง่ายอยู่ที่นั่นรู้หลงไปลงรู้ลงไปเบลี่ยนรู้ลงไปไหมมันหลงรู้หลงไป